อันนี้มันตั้งใจฟังเขาหลังจากการทำวัดเยีเ่ยมโนนี้ก็มาอบุมตืมเรื่องสูตรสำเร็จคำว่าสูตรสำเร็จนี่มันสำเร็จมาในมรดุกคนมันแสดงตัวมันเป็นของบริสุทธิ์จริงๆเขาเรียกสูรสาเร็จและบันนี้ไปแปลหนังสือพูดอยู่นอกโต้คุนส่วนสำเร็จสูตรของมันก็เลยบม่ได้ผล ผมว่าให้ฝังมืองเซานี่ก็คือกันว่ะเม็ดเพชรทุกเม็ดมันเป็นของดีมีราคามีค่ามากถ้าห่าหาอ า, อ า, อาจักตุม่มจักเลนได้มาคำทุกเม็ดเม็ดขัำนี่ก็ได้เป็นของดีของงามของบริสุทธิ์มีคา่ามีราคามาก ถ้าหากเข่า เ, าเจริไหนออกจากตมจากเลนมาได้คันท้าอยู่ในตมในเลนในและอมอยูก่กับบอดามีราคาอั น, นันวสูตรบ่าสาเร็จอนนสูตรสําเร็จหมายถึงเห่าปฏิบัติเอาเพชรหรือเอาทองคําจงอยู่ในตมหนึ่งออกมาแสดงมันจะแสดงตัวมันเองเพราะมันสำเร็จแล้วเด้ ที่ว่าต้มกับน้ำมันบอสเซนม่อันเดียวกันอันต้มคนนักับบอสมซนเป็ดมไม่หยิง่งไม่หยางอันต้มคนนักับบอสเซนทองคำไม่หยางแน่เอาเอาไปอย่างสีที่ว่าสูตรสําเร็จตอนเต้าเนี่อกะว่าให้ฟังรู้ไปถึงขั้นเป็นตอนไปโดยที่ไม่ปะปนใครทั้งหมดเลยสูตรสูตรนี้ เมื่อผลปฏิบัติตอนเย็นท่านผมรู้จักว่าผมเป็นพระได้ตอนเย็นเมื่อแหรงผมมาเดินจมกรมกลับไปกลับมาอยู่เมื่อแล้วผมกลับมานอนรื่นเศร้ามาผมกับมาลางหน้าแปลงฟันธรรมดาคือเอาเทปมือมานั่งสร้างจังหวะเดินจมกรมกลับไปกลับมามีตัวคีดเข็บตัวนึง แลนออกมาใตจหน้าบุญไม่แลนใจหน้าผ ม, มแลนไปใจขวงทางผมผมเคยบุญนึเคยเดอกที่เข็บกัดขึ้นนึเกเจ็บบุญนึเอาเทียนไขไต้ตามไปเดี๋ยวบ่ญเห็นอะไรบุญเอาเทียนไขกลับคืนมาใต้แบบของเก่าเดินกลับไปกลับมาสูตรมันเกิดขึ้นมาว่ากิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดอะไรสั่า อันนี้บ่งบอกว่าอาธิสินสิกขาอาธิจิตตสิกขาอาธิปัญญาสิกขาบุไดวาอย่างตันสิ่นเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างงายสมาธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดโอเมื่อขลังอันโทสาโมหโลภจางหายไปกิเลสอย่างงายโอ กิเลสตัณหาอุปาทานในจางคายไปที่ได้อย่างเงี้ยสิ่งนี้ปรากฏขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าสิ่งขันสมาธิขันปัญญาขันเรียกว่าขันสามอันผมเลยนเขาจังหปากก็เป็นขันหนึ่งตอกายก็เป็นขันหนึ่งสานใจก็เป็นขันหนึ่งเรียว่าสิ่งขันสมาธิขันปัญญาขันขันมีสิ่งขัน นีว่าขันสามอันผมแม่ขันสองขันหนึ่งขันสี่ขันห้าขันขันห้านั่นกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันอันขันสี่นั่นกัเวทนาสัญญาสังขารขันวิญญาณขันอันขันสามนี่สิ้นขันสมาธิขันปัญญาขันรูปก็มีสิ้นคำพูดก็มีสิ้นใจก็มีศิ้น อันนี้เป็นสูตรสำเร็จขึ้นมาตอนเลยรู้จักสมถะกรรมฐานกับวิปัสนากรรมฐานกับที่ตรงนี้สมถะกรรมฐานนั้นรู้แบบอย่างผู้ไม่รู้วิปัสนาเนรู้อย่างแบบผู้รู้มันจึงเป็นสู้เป็นสู้เป็นสู้ไปอย่างสั้นสมถะกรรมฐานนั้นเป็นว่านั่งภาวนา ที่ภาวนาพุโทโธธรามโมอรหังของนุปนับหนึ่งสองสางต่ตามให้จิตใจสงบแล้วยกเอาขันห้าขึ้นมาพิจ า, าจาจรณาไตลักเอบูฮู้จากเขาไตลักตามไปนั่งสั่แล้วกลับเป็นวิปัสสนาได้โบแมนอันมันนึกมันคิดเอาเองมันเข้าไปในควมคิดดังนั้นจึงว่า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 ควรสงบแบบนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะหยุดการศึกษาการเล่าเรียนการหาครูหาอาจารย์ได้ควรสงบแบบนี้พีถึง อ, อันสงบแบบบอลูนั่นแทบนั่งสงบบัต่เข้าสังคมเขาแล้วก็ขันวามูโบเซอฟันสักเกิลโก้เกียรบ่พ อ, อใจมันไม่สงบเขาเอ้นว่าหฮีศิลาทับง้า สมถากรรมฐ า, านจึงปิดอุบายให้สงบจิตคือเอาเหินไปทัดง้าไวนี้วันวนบ้านี้หินทัดง้ามันเย็นบ้นเอาเหินออกเลยง้ามัน้อขึ้นมางามก็เดอร น, นี่อันนั้นบรไม่ความสงบในหลักพระพุทธศาสนาความสงบของาศาสนาพรามเนี่ยหุจักรังรัิของโอ้นี่นี่สู้นี่มันเป็นยังสิ บาดนี้มาทำความรู้สึกตัวแบบนี้มันคิดเห็นรู้เข้าใจนี่ตัวนี้เป็นตัวสติเป็นตัวสมาธิตัวปัญญาเขาเอื้นมความรู้สึกตัวเขารู้สึกตัวแล้วตัวความคิดมันโบทูกปรุงแต่งไปได้อถ้าห้างเขาบ่อยเห็นความคิดมันจะปรุงจิแต่งเขาไปเรื่อยๆไปเลยอันนี้เป็นติดสูตรไปอย่างสิ จึงว่าเรียนลัดเรียนลัดหลักพระพุทธศาสนาโดยตรงบี่ผมไม่เรียนจังท่านจังที่จืดมีวิธีการมีเทคนิคมีคกลไกการกระทำํำให้จังหวะจังหวะนั่นก็ ห, กหักฝึกหัดกันแล้วเดินจมกลมการสร้างจังหวะเดินจมกลมการหัวจักการหั้จักเวลาตอนเฝ้า ผมบอกอยู่ตีสารสารสติดหรือตีซี่เนี่ยเอาลุกออกมาเดินชมให้คนเห็นคันคนขี้คานมันกระโบเห็นแล้วปฏิบัติธรรมะมันกระโบเก้าหนะ้าตามหนังสือเพอนว่ากุปปาทำโมอักุปปาทำโมสิปาริหะณะทำโมสิขันคนขี้คานลูน้อยๆแล้วก็มันจีบหายจีบหายแไปเพราะว่ามันโบเก้าหนะ้า คนใดตั้งใจปฏิบัติยางวาในฝนวาอานุลักษณะพภูพภอย่าง น, อ น, น้อยเจตนาพภูพภตั้งใจประพฤติปฏิบัติรู้จักการรู้จักเวลามันก็ก้าวหน้าฝนวาอย่างนั้นผมอ่านหนังสือพี่ทำเพื่ น, รรนแปะไว้อย่างสัน่นจังว่าให้รู้จักการเวลาลักการลักนานจะเป็นคนเห็นแก่หลับแก้นอน แกพูดแกคุยมันโบดีปีนี้เราฝึกกันเพื่อจะพผิดให้เป็นครูของคนวาแล้วก็เสื้อฟังกันต้องทำตามเจ้าเดินจมกลมค่อยก็เดินจมกลมเจ้านั่งสร้างจังหวะค่อยก็นั่งสร้างจังหวะเห็นกันมีควมละอายในใจถ้าเราโมทัมก็ละอายคนผู้พิทามจริง ย่าเอาความซั่วมาแสดงเอาความดีมาแสดงต่อกันให้มันเห็นเป็นครูของกันและกันให้เป็นครูของกันและกันนี่หมายถึงจ้าใดเจ้าเฮ็ดก็เป็นครูค่อยค่อยเฮ็ดก็เป็นครูเจ้าเจ้าตื่นกอนค่อยค่อยตื่นข่อนเจ้าบนแม่ที่ว่าห้องยมตื่นแล้วบนตื่นห้นางยำเฮ็ดแล้วโบนให้เขาบอกคนขี้คานคเานเย้ายากสันดานของตัตว บุญตันดาลของค น, นนะมันแก้ไขโบตกมันต้องแก้ไขตัวเองที่หลวงพ่อว่าให้เนี่ยอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมะเมื่อแรงมาเขาก็เดินจมกุมย่ามานั่งเว้านั่งคุยกันเจ้ากระเดินค่อยก็เดินเจ้าก็เห็นค่อยเดินค่อยก็เห็นเจ้าเดินนี่ค่อยก็เห็นเจ้านั่งสร้างจังหวะเจ้าก็เห็นค่อยนั่งสร้างจังหวะมันมีความละอายในใจพะนวดนี่ความละอายในใจนี่ คนบนมี้คมละอายแก้ใจมันกับเอิ้นสันดานของตัดสันดานของผีเขาว่ากันเนียมาผีตายจินหัวไม่ได้เกิดเวายากเวกเนี่ยเขาบนมีตาทิพ์เขาจีบ่เห็นผีเด้ผีคือคนขี้เกียจขี้คานคนทำสัว่วพูดซัววายากสอนยากเขาเอิ้นบักผีคือผี บนแม่แข้งขาดหน้าตามือเท่าเป็นผีใจมันเป็นผีต่อมากะเออหน้าสันดานคือสัตว์เนาะเนีย่ยแต่ร่างกายแข้งขาดหน้าตามือเท่าบนเป็นสัตว์ใจมันเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะมันไม่มีความละอายในใจให้เราเข้าใจที่ผมวานเนี่ยมันนี่เป็นสูตรสําเร็จง่ายๆให้เราเห็นพระธรรมพระธรรมมัน พระทำการพระทำงานพระพูดพระคิดทําให้เป็นพระธรรมทุกคนเป็นพระธรรมทุกคนเป็นผีอถ้าคนใดทําดีเขาเอื้นพระธรรมถ้าคนใดทำชั่วเขาเอื้นผีธรรมบุญเป็นพระธรรมนะเป็นสีเป็นแสงเต็อนลูกแก้วหรือเป็นพระอันใดมา ส่วนเข้าตัวเหาโบแมนอันแสดงว่าเาหาโบเหตุจิตโบเหตุใจเหาคิดมันเป็นอันสูนสตรอันนี้มันก้วงแล้วเหานั้มาติดอยู่ระหว่างมีโบแมนความสงบนั้นจนึงมีสองอย่างสงบแบบสมถะกรรมฐานแบบหนึ่งสงบแบบวิปัสนาภาวนาแบบหนึ่งวิปัสนาแปลว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้แจ้งรู้จริง รู้และต้างเก้าล่วงภาวะเดิมตั้งเก้าอันใดแต่ก้อนเคยนอนตื่น ส, สวยตื่นดึกในบัดเดียดแต่ก้อนเคยสูบบุหรี่เลิกได้แต่ก้อนเคยเป็นคนพูดมากคุยมากเลิกได้แต่เฉพาะพูดแต่ขวมจริงเท่านั้นนี่เป็นกรต่างเ่าล่วงภาวะเดิมล่วงจากขวมเป็นผู้ทุศน ขึ้นมาสู้ควรมเป็นพระอริยบุคคลเพื่อยวลวงจากภาวะเดิมพลถามและควรมเป็นคนเนี่ยผู้ใดให้ซื้อเสี่ยงเรียงนามมาถามข้าเจ้าข้าเจ้าก็เอื่นกันมาจังนั้น แ, แสดงว่าคนผู้นั้นยังไม่ได้ศึกษาหลักพระพุทธศาสนาเล่าเป็นซื้อ <c oughs> ควาว่าควรมเป็นคนนี่หมายถึงเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ มาพูดมาคุยมาแนะนํำทำสอนกันอันนั้นตัเสวะเป็นคนควมเป็นคนกับควมเป็นปุถุชนเขาจะมาแย่งกันไว้แต่อย่าบขรบวแย่ว่าปุถุชนกับควรเป็นคนควมเป็นคนผู้มีปัญญาจังเป็นคนควมเป็นปุถุชนเขาจะเอื้นคนผู้มีปัญญาอันปัญญาหาเงินหาทองหาพูดหาคุยนะบแ่แย่งแง่เนี้่ยบุญปัญญาอันนี้ ต่อจากนั้นมาหลวงพ่อรู้จักอันนี้หลวงพ่อก็เลยรู้จักการทำบาปด้วยกายเอาเจ้ามือนี่แีลไปตีเขาทำจันทนาธีแหละไปถ้าหากนรกมีตายไปแล้วที่ไปตกนรกขุ่มใดนี่สูตรมันเป็นอย่างที่นีสูตรสำเร็จบาทนี้กายบ่ทำมีแต่ปากวาซื่อ กูขี้เกียจกูขี้น้า ย, ยกูอยากฆ่าอยากเตะแต่หักโบติบบตีอย่างกราๆว่วาซื่อๆอันนี้คำพูดซัวๆถ้าห่างแล้วโลกมีตายไปได้จีไปตกนัโลกขุมใดเนี่ยเขาใจยัง ส, สูตรมันบานี้ปากกซ า, าวา่บาใจคิดซื่อใจคิดอิจซาิษยาเบียดเบียนคนนั่นคนนี้ซื่อ ถ้าหากนรกมีตายไปแล้วที่ไปตกนรกขุมใดนานจากปีจากเดือนสามอันอนีนี่สูตรของมันเข้าใจหมอย่างสี่บัดนี้กายกระทําคําพูดกระพูดใจกระคิดเป็นสามอันรวมกันถ้าหากนรกมีแล้วตายไปที่ไปตกนรกขุมใดนานจากปีจากเดือน สู้กันมันต้องรู้จักการวิปัสสนาจงว่าเห็นแจ้งรู้จริงต่างเก่าล่วงภาวะเดิมมันเป็นแบบนี้บัดนี้ในทางตรงกันข้ามถ้าหากทำบุญเหมือนทำแต่บุญใจบุญจากบุญให้ไมดไปมีแต่ป้าถนาอ้อนวอนเอาเสือ ป, ปากเบาเว า, เวาใจก็บาได้ทดิเห็นเขาทำก็ท ำ, ทำไปแต่ไม่ทำบุญ ถ้าหากสวรรค์มีตายไปแล้วจิตไปเคลือนจุดสวรรค์สั้นใดนานจากปีจากเดือนอู้จักไปอย่างสูสตรของมัน <c oughs> บัด น, นี้กายบอดทำ ม, มีแต่ปากเวาสึกๆทําบุญอย่างนั้นทําบุญอย่างนี้เป็นอยงไรมีแต่ปากว่าถ้าหากสวรรค์นิพานมีจริงตายไปแล้วจิตไปเคลืสวรรค์มิพานสั้นใดนานจากปีจากเดือนสูตรของมันเป็นอั่งที่ บัดนี้กายกบบระบาดทำปากกบบระบาดใจคิดอยาก ท, ทําเทบุญใจคิดซื้อซื้อยังไม่ได้ทำบุญคือบัดนี้ถ้าหากสวรรค์มีตายไปแล้วจีไปยุตสวรรค์นานจากปีจากเดือนงูจักจังสัน้นเห็นจนั่งสัน้นงูจักจันเข้าใจจังสัจนสู้สําเร็จมันสําเร็จมาในตัวมันเองอันนี้ บัด น, นี้มือกระทาดีป้ากระว่าดีใจกระคิดใจดีเนี่าทำบุญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบัดนี้รวมกันเขา้าถ้าหากสรวรรค์นิพพานมีแล้วตายไปแล้วจะเกิดสรวรรค์นิพพานท่า น, นใดนานจากปีจากเดือนสูตรมนันต้องรู้จังซีเห็นจังซีเข้าใจจังสีเนย่ยพอปฏิบัติทำมา เงาะพ่อจวีวาสูตรสำเร็จมันสำเร็จรูปตัวของมันเองจีงว่ารู้จักความสงบเป็นพอดีมาเห็นอันนี้เลยคายคายคือมันหาดออกจากกันก็นว่าได้รู้จักขึ้นมาคายคายคือว่าสำดีบ่มีนามเนี่ยแห้งเปี้ยอมดมีผาบาทหาบบินี้ มีผ่าบาทเขาเลือดมันพุ่งออกจากปากบาทบาดนี้เมื่อมาเห็นยังเสียนเลือดมันกลับขืนมดทุกหยดเข้าสู่สภาพของมันร่างกายเขาเนี่ยเหมือนกับดักแด้ที่หอนเลี้ยงมอนมันเข้าสู่ในป้อมันหดมัดทุกเส้นขนทีเดียวเข้าสู่สภาพของมันจี้จางไปเมด่ิจิจเปียบอย่างนึงงคล้ายๆคือว่าเขาติดไปฟัน หมอดตุ๊บกระไดหรือว่าไฟฟ้าเฮานี้โบรันมาเถอเปิดตุ๊บกระไดมันเป็นอะันก็เลยรู้จักความสงบฟันโอ้ความสงบหมายถึงศึกษาเล่าเรียนในเพศพุทธจันยร์จบเพราะมันคาดเอาจากการประมาณหลวงพ่อกำลังยางอยู่อันนี้หลวงพ่อว่าหลวงพ่อเคิดดินก็จากเม็ดหนึ่งสองเม็ด่นเดียวเบนแม่นคิรดดิน เนีย่ยพอญางอยู่กลางดิ น, นอันนี้แหละสูตรสําเร็จของมันต้องรู้มาอย่างสี่พอดีรู้อันนี้แล้วหล่อพลอยออการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาศึกษาของจริงรู้ของจริงเขาจริงได้เห็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาที่ตรงนี้เป็นอย่างต่างการศึกษาเราเรียนกระจกที่ตรงนี้เนี่ยพอ แกผู้อื่นที่ไปจบทางใดหลวงพ่อโบเขาจักสูตรของมันเป็นอย่างสิถ้าหากม่นเป็นอย่างสิบ น, นี่บุญสูตรอย่างที่ดลวงพอวานี่เ้อย่างที่ดลวงพอวานี่เป็นสูตรสูตรหนึ่งต่างหากโมได้ไปเรียนนักทำตีนักทำโทนนักทำเอกกันโมนได้ไปเรียนมหสมมหาเมย์ย่งกันแต่มันสําเร็จรูปมันมาจากตัวมันเองสำเร็จ คำว่าสําเร็จเนี่ยครับพเข้าใจว่าสําเร็จคือว่าสําเร็จเอาเอาเพชรออกจากตมจากเลนนนั้มาได้ซื้อเนื้อเอาเม็ดทองคําออกจากตมจากเลนมาได้ซื้อมันสําเร็จยกหมู่ไหว้ตัวเองขึ้นมาได้อรู้จกักการจบเพศรพรมจันทร์มาจบที่ตรงนี้เมื่อเรารู้จักเพศรพรมจันทร์จบแล้วเขาจะบอกว่า เมื่อถึงที่สุดแล้วหยาย่ายอมมีอยู่สันคูบาอาจารย์สอนศาสตร์สิ้นแล้วพบสิ้นแล้วผมอาจารย์อยู่จบแล้วกิจอื่นไม่มีกิจการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาศึกษาอย่างยอ่อย่อแต่ว่าใส่ได้ว่วงค่วงดีเดียวนี้เราไปศึกษากับตำรับตำลามากก็เลยโบได้มีผู้ใดศึกษาสูตรสูตรเหล่านี้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 หลวงพ่อเคยว่าให้ฟังหลวงพ่อเป็นโน ม, มาสอนอยู่ที่บ้านฝึกหัดให้จังหวะลุกจังหวะนั่งให้จังหวะไหวตัวเองจังหวะกล้าบเป็นต่อมาคนยุคนั้นกังห้นขจ้ากัมีครอบครัว สุดออกไปก่จะมีแต่โบยได้มีคนสุดดกมีแต่พระหลวงตาแล้วขจจกะว่าธรรมะอยู่ตรงสันออกจากหันหลวงพ่อมาอยู่ป่าพุทธยาณมูมหาบทองงูนี่แหละมูไออินหลายคน้นมาอยู่หันคนทั้งอุโบสถมาขจจกะมาปฏิบัติอยู่นี่ใส้เวลานาน และปฏิบัติธรรมะพวกขาเจ้าศึกไปข้าเจ้ากัญวาธรรมะอยู่ยังเฮ็ดกันอยู่คงที่คงเดิมเป็นอย่างต่นนอกจากฮันหลวงพ่อออกไปตามอยู่คนแก่อยู่งุงเทพสอนกันมันเป็นพี่ถเว้ามันก็เลยมีแต่เว้ากับเว้าและบัานนี้ขันศึกหาลาเทศ นานจากปีจากเดือนอู้จักไปอยา่างสูตรของมัน <c oughs> บนัดนี้กายบ่ทำ ม, มีแต่ปากเวา่าซื่อๆทาบุญอย่างนั้นทําบุญอย่างนี้เป็นอยน่มีแต่ปากวา่าถ้าหากสวรรค์นิพานมีจริงตายไปแล้วจิตตะเกิดสวรรค์นิพานสั้นใดนานจากปีจากเดือนสูตรของมันเป็นอย่งซีบัดนี้ กายกระบอกทำปากกระบอกบอใจคิดอยาก ท, ทําเตบุญใจคิดซื้อๆยังไม่ได้ทำบุญคือบัดนี้ถ้าหากสวรรค์มีตายไปแล้วจิตไปยุตสวรรค์นานจากปีจากเดือนงูจักสัน้นเห็นจังสั้นงูจักสันกส้นเข้าใจจังสัน้นยอดสู้สำเร็จมันสําเร็จมาในตัวมันเองอันนี้บัดนี้ มือกระทำดีปากกว่าดีใจกระคิดไปดีเย่าอทำบุญด้วยกายด้วยว่าจจด้วยใจบี้รวมกันเขา้าถ้าหากสวรรค์นิพพานมีแล้วตายไปได้จิตปเกิดสวรรค์นิพพานท่า น, นใดนานจากปีจากเดือนสูตรมันนั้นต้องรู้จังสีเห็นจังสีเข้าใจจังสีเอย่าพอปฏิบัติธรรม อย่าพ่อจวีวาสูตรสำเร็จมันสำเร็จรูปตัวของมันเองซึงว่ารู้จักความสงบเป็นพอด้มาเห็นอันนี้เลยคายคายคือมันขาดออกจากกันกับว่าได้รู้จักขึ้นมาคายคายคือว่าสำดีบ่มีน้าเนี่ยแห้งเปียออกมดมีทาบาทเฮาบัน มีผ่าบาดเขาเลือดมันพุ่งออกจากปากบาดบาดนี้เมื่อไม่เห็นยังเสี้ยเลือดมังกลับขืนมดทุกหยดเข้าสู่สภาพของมันร่างกายเขาเนี่ยเหมือนกับดักแร้ที่หอนเลี้ยงมอนมันเข้าสู่ในป้อมันหดมดทุกเส้นคนทีเดียวเข้าสู่สภาพของมันจีจ้จางไปมดหรือจีเปียบอย่างหนึ่งคล้ายๆคือว่าเขาติดไปฟัน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 เนีย่ยพ อ, อยาอยู่กลางดินนั่นอันนี้แหละสูตรสําเร็จของมันต้องรู้มาอย่างสี่พอเรียรู้อันนี้แล้วหลพอลราออการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาศึกษาของจริงรู้ของจริงเขาจริงได้เห็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาที่ตรงนี้เป็นอย่างตัางการศึกษาเราเรียบกระจกที่ตรงนี้เนี่ยพอ แต่ผู้อื่นที่ไปจบทางใดหลวงพ่อโบูขาจักสูตรของมันเป็นอย่างสิถ้าหากม่นเป็นอย่างสิแนบนี้บุนสูตรอย่างที่ดงพอวานี่เ้อย่างที่ดงพอวานี่เป็นสูตรสูตรหนึ่งต่างหากโมได้ไปเรียนนักตั้งตีนักทำโทนนักทำเอกกันโมนได้ไปเรียนมโหสมมหาเมย์ย่งกันแต่มันสําเร็จรูปมันมาจากตัวมันเองสำเร็จ คำว่าสําเร็จเนี่ยครับเข้าใจว่าสําเร็จคือว่าสําเร็จเอาเอาเพชรออกจากตมจากเขนนั้นมาได้ซื่ อ, อเมื่อเอาเม็ดทองคําออกจากตมจระเขนมาได้ซื่อมันสําเร็จยกหมู่ไหว้ตัวเองขึ้นมาได้อืรู้จกักการจบเพศพรมจันทร์มาจบที่ตรงนี้เมื่อเรารู้จักเพศพรมจันทร์จบแล้วอาจจะบอกว่า เมื่อถึงที่สุดแล้วหยาย่าอมมีอยู่สันครูบาอาจารย์พ้นตสอนศาสตร์สิ้นแล้วพบสิ้นแล้วผมอาจารย์อยู่จบแล้วกิจอื่นไม่มีกิจการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาศึกษาอย่างย่อยๆแวดวา่ได้ล่วงขวดีเดี๋ยวนี้เราไปศึกษากับตำลับตำลามากก็เลยบบได้มีผู้ใดศึกษาสูตรสูต ร, ตรเหล่านี้ เรียนปริยาตีปริยาโทรปริยาเอกมากกาบ่ดได้เข้าใจสูตรอย่างนี้ไปเข้าใจอย่างอื่นที่หลวงพ่อนํามาเราให้ฟังเพื่อเป็นการเตือนจิตสกะจิตใจของพวกเราให้เราทุกคนได้เตี้ยนแปลนนิสัยเดิมๆของพวกเราญาติเป็นนิสัยเดิมญาติเป็นนิสัยของตัดญาติเป็นนิสัยของคนผ่าน